ใช่ไหมเต็มหไม่มีเรื่องร้อยเป็นไงว่าห้าสิบก็ยังได้ ถ้าว่าอย่างรอ่ะแคนนก็ไมีได้ถ้าสเราษิตมัต้องถ้ามีปัญาต้องอถ้ามีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาถ้าเราไม่สนใจก็ไม่มีปัญหาหรือว่าถ้าทางที่ดีนะ เรากัจะปลกไปสองติดมงกใหญ่ใช้ใช้แบบนั้นใช้ใช้แบบนั้นนะอ่าเข้าบ้านไม่เอาเอาไปส่งน้าหนากถ้าเข้ากุฏิถ้าไม่กุฏินะกุฏิแทนจะย้ายห้องใหม่เข้าบ้าเออจะงน้ำหกห ไม่กว่าหลวงพ่อจะฆ่าหลว่อจะฆัามาแค่สองคำที่ทำเกิดต้อนเล่นต้อนใาใจใจเป็นคนใ จะเป็นเพ่กแต่เรานะเพื่แต่เราเอางี้เลยต่าพิัญาเดิมกับเจ้าของเดิมมันเป็อย่างไรถ้าพัญญามีว่าก็จะระดกเที่ยงให้เขว่าเป็นับนะถ้าไม่มีพิัญาเดิมแทหรือผู้สส่งมาก็ได้าเมตตาจะแทบก็ได้นะใครหายใจก็ได้หายได้ายใก็ไม้ใช่ลูกก็มีถ้าลูกมีลูกสาวมีลกชายมีพิัญามีรเป็นหายจแข็งใช่ไห ให้กับเขอเขาไได้การเ้าหาไม่ได้จรงถ้าไวนารายณ์จให้ได้กาอะไรก็ได้นะลาทีไฟเกืเครือบัตมันก็ส ah. in. um ่งลุเกือาดขหลอนะแต่ขไม่เห็นตา ว่าถ้าตามบารีเขาเป็ดใส่ไหมคนนี้ก็ข้างบารีผมก็ไม่ใส่ละฮันเรานปกางใ่ใช่ใ่ใช่ลมมาไหลไปท่านั้นใช่เราก็เด็ดผาที่อาพี่เข็ดใรเ็สผาแล้ว เมื saya saya. Zat, ่อสัดานี่ฏสงฆ์เลิศไนเกิดชีชาติ็เป็นมหาเศรีแต่กครห้าเกิดแค่ไหนต้งมีแค่ห้าบาทห้าบานการดใจ่ไม่ควรไม่ไดรอย่างจงไม่ไม่ใจ ันเลยปัจจุบันก็แล้วกันหรือว่าเอาเงี้อะไรกันเอาตังค์มาวางไว้สิบบาทนะไปเก็บไปหนึ่งหมื่นไปวางบนไปแําเมงไปแต่บาทแต่บาทแต่บาทไป่เมงแต่เมเอานี้ยอะไรกันให้เก็บตัวจำเลปัจจุบันก็แล้วกันเอาเงาเก่าระหัสมาไป่ังไปยายบว้ชั้ละนี่เจอัหย เจ้าขอคุยตายไปนะังประจีมั้โอ้เจ้ของที่ดินแลก็ถามไม่ต้องถามเชิญเราไปใช้นี่แทงยายกนเรื่องที่ปาต้้างแล้วกลับมากมดเรื่องเราไรออางไก่ I w ในเกมสมาธิเสียงนั้นไดอานลายของตีีีที่หนึงค้นฟองเปยงกล้าวีตีทงน้ำตาไหลตีีที่สามร่างกายโยกโยีีที่สีร่างกายลอยตรวกาีี่านในการจับจนี่จะเป็นการตีตีน้ำตาจะไหลก็ตามร่างกายจะโยกตามเป็นตันะยังไม่บอกไม่รู้จะเลยห เอาทุกอย่างทั้ง5้าอย่างเขาพดไปดูแต่พุทธูิเริผ่านสมัยนั้นยมีเรื่องกิดสุนนพและก็ผ่านนาเลยกระเสียมากต้อไว้นาเลยหลัก็ยิ่นานเลยันย่งขึ้นไป่ได้เลยารความว่าการอย่างนั้นไปจ่ายการชั่วเป็นควาีสงนหรือคาดใจถ้าความยึดใจเกิดขึ้นสันธหนึ่งอารมณ์เป็นสุดพวเป็นสุดว่าดเปนเกี่ยงเกี่ยเวลานึ่งคัน เก็บติดเก็บพอเวลาจะเรกับวันศาลถ้าต้องเวลาเกเกับศารถ้าเป็นตัวก็เป็นรถไฟเก็บพ่อเวลาเกเรกับศารไป็นรไปอาเนี่ยถ้าน้าหูไหลไปกระรอกน้ำตาไหลไปจังหวัดน้ำหูแล้วมันมีที่ไหนอ่ะมีแต่น้ำหลวกใช่ใช่ใช่ใช่กระรอกน้ำตรไหลบีดทอเนี่อัน้เป็นบี้ีที่ ถ้าตเข้าถึงปีตีแผนเรียบจังหวัดทุกท่าน้องใจรู้ใจใช่ไหการฆ่าก็สำคัญก็ไทยคนะตาัวแทนเป็นคนรับจ้ามาไปในตัวมาถูกบังเกิไม่นานานี้าปในันี้ไป่ักตัางหมดวากรกรไลเสือมาา เราต้องมีโอกาสในวันถัดไปในการสื่อถึงขาวารการเขาวสารต่างรมานระมาณนี้ล้วก็เนยตอยเชื่อเนว่าสาวสารจริงขอให้เขาป็นคนที่ได้รับทราบข้อมูลได้ที่ได้รับกยแพร่ในนได้แล้วารลือกต้งที่ต่อไปร ต้องแกล้งต้องแกล้งเลจริงๆเบา่าต้องแกล้งแกล้งมันักว่าจรแกล้งให้เดินได้ทางานได้มันสุดี่แล้วตอบกลับไปคนแกล้งให้รวยที่คนแก้งให้ดูสวทุกคต้องแกงมาแลนด์ขวาธรรมดาทําได้จริงๆมันเบาๆมัโลกนะไปย่าก้าวถ้าแกงไป็คนั้าเส้นแข็ง แต่ปัจจุบันปัจจบันได้ก็ได้ก็จิงไก่ในบกน้าทาไมกาแฟมันนั้นนะถ้าเปไก่ถ้าหายระคาแฟนถ้าไปไหนมันเฉยๆไว้จะด่าเอาแล้วก็ มาตามผมมาสาวงานของศลปกับน้องประสบการตัวมาของแม่ในอแรกขทงเอ้านของสาวน่นโอ้โหยตันี้ด้วยลาวเออรงนักศะกษาหๆรบ ยิ่งร้อเห็นต้องเป็นรถถนไปเลยโอเคไเกลี้ยงยปบาลเดียวกันใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช ยังไงไงบาคุยก่อนตอนระหวยัานนี้าเราบอกวาราอกทุกอย่างาถกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อกตกต้องถูกต้องถูกต้อ้ เวลพูดแบบูกาให้พ่ออธิบายมัปฏิบัตินีพอเน้ิลให้่ไตเติ้ลเลยนะไต้เติเ้ลเจอยัไงไตไม่ดียัไงไ่ไม่ใช่ต้องใส้เป็นไตแข็งไต้เติ้ลไต้เติ้ลไตเติ้ลเอาที่เรากพูดอย่างนั้นเพูดตามที่สมมากกัน พระพุโกษาจาริยโรจนนามักไปพระอาหันต์นั้นแต่แ้จริงไร้ว่าถ้าบุคนลผู้ใดจะได้พระธรรมานในที่นั่งใดได้เป็นสมุดาวัตรไม่ตกลงที่ทำไปเถอะอะไรเลยวิธีปฏิบัติจริงๆแลปฏิบัติตามนี้ถ้าถึงสมุดาวัแล้วก็ไม่พวกงเข้าจิตอาฆาตาเขาตีรหนต์เลยวิธีการตีตัวอรหัน์ตัวนี้เอถึงสมดาวัตเสร็จให้จับเาิษาสุลย์ไทย จะนาการความเป็นีริงของมนุษย์โลกทั้งโลกปฏิเสธเรื่องผาในวันโลกกันแซงระบบวันโลกมันมีคามเี็นงันตึงไปนานถ้าหมดทุัถาบารมีก็กลับมาใหม่ไปกันเราไม่ต้องการในที่นี้เราต้องการสุดเดือดตาารมีแเราไ็ไอยากสุดเดืนานจะลงมันต้องจัดเกินีราปฏิบัติอยู่้ตามแบบนันหถ้าตามแบบเราสมบัติการปรรโสดาภีพาชาชาชาเราไมนตามแบบ เราไม่พูดแบบนีก็ถามวันอกแบบเวลาปฏิบัติเาว่าทางแน่ก็เหมือนกันเหมือนกันแต่ไม่เอาอย so ่างกันเออทำไม่ไม่เป็นเวาเลยเราไม่ที่นะ กอทอามาเนี่ยให้นานสแค่ไหนก่นน้าเคยมคนขอราปส่นตอ่าไว้แล้วมารัได้เลยนคมันฝนฝันานจะรับจอแต่ถ้าบอกครงนัรนก็ไได้แล้แบบนี้จะเป็นแบบอะไรที่ยาวไป ขาสุดาเียงไรจะยกเท้าย่างเท้าให้ก้าวไปหน้าและก้าวไปหลังเสร็จแต่ตอนกินม่รู้ร่ไม่รู้รู้ไม่ทันจะีมันลงส่วนเอปั๊บตัอเลยกเป็นเยเอาแคให้รูู้ดอแยกเหนก็เราจะทานก็าดิบของแห้เขา ก้าจะกินก็ใส่ปากเฮ้ยพานัางเบอร์การให้เจ้าข้าต้องให้หมดแล้วใจไปเอาบรีเอาที่ไหนเอาบีได้ไหมเขาจริงไม่มีอะไรเขากรอมแล้วถ้าได้แล้วไม่ะไต้งระวังมันเก็นแบ้แล้วตาเรียกกระพริเสมอหูจะมาเราไปจะดูตากระพริบแล้วก่อนที่งะใส่อะไรอะไรเจ้าตามันหนกันตามตามมาทัน การรับผิดชอบในการบรารจัดการเราเนนวนากนวนท่่าแต่รับผการรการเราเลยออกมาเร่องการราแล้วการราก็จต่อกว่าบริการท่และให้เงินไปรับจ้างก็เป็น่ที่เราต้อรบได้เว่า ก็ม oh, ันยากที่จะจองในว้นพระแทนนะครับง่ายเ้ารู้ท <ourcing> <inaudible> <winning> ี่อยู่แล้วนะรู้ว่าอยู่แล้ก็ไปนี่จองเขาเต็มจองเลยลาบ้าก็ ลีมคแขแองพวกว่าถ้ากให้ได้ผลผลตมากแบกนจะต้องมากับเารียวแตถ้าไม่กงไ่กว่งอราแทนวก็าดูแัไม่ลูกปต้องสมบูรุกย รวยใครสบายกว่าฉันเขาดูแต่เพียงว่าร้างอิจฉาอ่านับฉันสะอาดมากาะอาดจังเลันถ้าถวายสงานไม่น้องเลือกพอถวายสงฆ์ทานนี้ไม่เจ็บตาที่รับที่ิตจะพูดเดียงฆ์ทานนี่เขาถือตั้งแต่พระพุเจ้าลงมาเลยนะเ่งอย่างที่ชาวแวตจีตหลเบยวถวายเนี่ยนะเวลาถวายสงฆ์ทานเราขอญาตโยมตั้งหนึ่ ก็มีเรื่อพร่มาี้ถ้ามีพราสององค์มอยู่หน้าข้างหน้าสุดได้สุดๆเลยโยงต่อไปเือองาอนถามว่าสังฆทานใ้ผมมีส่วนไหมังฆทานที่ผมสมบรทำเนี่ยพระสมบูรณ์ละว่าไงสังฆทานี้ผมมีส่วนไหมวเรเลยบอกว่าสังฆทานเป็นส่วนต้พวกเจ้ามาบัญชาท่านยังไม่มีส่วนประจากใเออสังทานมได้แล้วไปเลยไปเมีส่วน เวลาสารคดีก็ถือว่าสร้างได้แต่พุทเจ้าไม่ใช่เฉพาคนที่รับ่คนรับเป็นตัวแทแต่เดียวไม่ต้อมาป็นตัวนูกต้องใช้ไห่ ถ้าถือ <raw land. S 1> <In> ่ไปพูดแทสงฆ์เรียรัถว้เมืานที่บ้านอย่างอาารหาใช่ไหมคนมนุษย์เข้าไปไหลลงที่แล้วไม่พอจะหาได้หเข้าไปเยอะใ่ว่าส่งอาหารัพเข้าไปใวัดป็ารขกาเป็นครนั้อวบ่าว่าะรอ่าา ไม่หมดยันพร้อมีพอสามสิบบาทนั่นแะแต่ผลเท่ากันทำด้วยกันคุจาให้เสียสตางคน้อยแล้วนะไอ้ที่เป็นเงินน่ันเดยร์าพก็ทำมาให้ที่สองใเงินทั้งหมมาจะทำไม่ไหวคนหนงรอรอรอพันธุ์พี่ไม่โตรอรอพนธ เออใช่อะแต่าพักเยอะหน่อยใช่ไหกานที่คงการันก็มีไอ้เดือนนี้ที่ผ่านไปขับกถไปนี่เไม่ได้ตังค์หรือเันเคยเขาเคยนราเลยไปเดินมาท่านนายกเอฟบ้างเี่ยเป็นขับมาโดไหม รังตัวมันนี่ันจะใช้งานงานท่เาน่พอไปถึงไปปราบปราบหลวงพราบหลวงพ่อามหวังท่บอกว่าหลวงพ่ครับพรนะครับแต่บอกเฮ้ยการนี้มันเป็นคนเป็รชายโอนเป็นัรชายอนทางขึ้ายชายแก่ติดตใันะครับแล้วนะครับหลวงพอเป็น ความสนใจเปนอย่างมากไม่าบ็นอ่ไรลูก <c ười> <ừ> ี้ยงจากาวเขาจอดจอดสูบสูบก่อใครไก่ัป็นเป็นของของเขาร้าเลียงวานานกออเอาไปดีกว่ามีร้านเปิดไห่แต่วันร้ายมันก็มาเลยค่ะ หาบทนี้นะไม่ต้องโดนก็โจมง่ายจำมาจีจำมาจเฮ้ว่าไปกดคุกกรอะไรันนะแค่นี้มันก็ไปเรื่องธรรดาแค่นี้แข็งตัวเร้ยมเพื่อสมัยฉันหาสมัยได้ไหมไม่ใช่ถึงไม่ไม่ไม่เวลาเป็นพอีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ เขาไม่ได้ฝันเป็นธรรมดาแล้วก็ถือว่าเป็นกฎสรรมของเขาไปบนี้เราทำดีแล้วแปลว่าเขาไม่มีเราเรียกเราไปฟังเราเล่ามีของเราไปรับแต่ใหม่ใหม่ก็รับที่หน่อยนะเรอไปรัน ร้อยะอะไรวาเป็นเป่น เริ่มสรุปไม่มีใครให้กํากังใครก็เากังที่อโยนเอ า, า, วาไว้เป็นส่วนโยนบ้างเอง า, ว า, าไว้เป็นเศษเป็นกระกบ้งเป็นชาติแล้วก็มีอาหารนะแต่ผมคิดตรงนี่อ า, า, าหารเรื่องอะไรผมคิ่ข้อไหนแล้วก็ยังคาดทองเนี่ยเฉพาะขาดทองยังไม่คุ้มคาดแรงานงได้สี่หมื้าพเฉพาะคาดทองนแล้วก็ขาดแรงงาน เขาสพถ้าเกิดจะห้ใช่ไม้วการการค่าปันเันที่เป็นรูปคนมาเนี่ยเขาจ่างค่าแรงงานม่ข้ามัถเวลานี่มันกแพงเกิดสงครามเแค่เปร์เถ้าเป็นหมืนก็เป็นห้าเปอนแก็ได้กไรสดสด เอาไมนั้นฉันม <TI> ีส <im> <ky and> <conditions> right? anyway, ่วนร่วมอ่ะฉันไีความอฉันต้องการว่าทุกที่นั้นฉันมีส่วนร่วมด้วยแต่จะลูกหลาทุกคนที่มาเป็นคนไปไม่ได้กมีส่วนร่วมอั่ใช่ยหมไม่งนาดหนาดิแค่อยู่คนเดียวระบายต้องทำมาให้มีลูกคนมากีลูกหาให้าาคน้จะ นั่นเมตตาความัอว่ามีควมีหานสีไ่ใช่หรอกฉันมีความีหานหนึ่งเมตตาความรักใครมารักฉันไม่รั ก, รร ก, รรกด้วยล้กวก็านายความรู้ษาถ้ารักแล้วไปเลยสีรู้สึต า, ายก็เชืกอใจหมดกลยกัน ่ามนะแล้วสีไปฐานเมียเกากาสั่งะไรแต่ว่าเหนื่อยนัหนื่อยเดี๋ยวมาหลิกการด่ากี่ไรเราไม่เจ็บเราไม่ช้ำล้วไม่เดือดร้อนไม่กีนกินยาแย่เราฟังมาแก้ตาไม่เป็นไรทำไมพิมพ์จะไม ขอเธออยานไปขอไม่องกลับไปพดจารวาใวาใครนารั